พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่20ิมีนาคม2560นมีชื่อเรื่องว่าแตกต่างกันแต่ไม่เบียดเบียนกันฮาวลูกหลานดืในความสงบ ออกมาฉันข้างนอกสาวันนั้นลูกลานวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระแรมแปดค่ําเดือนสี่วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่ยีสบมีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมัตสวรรค์เป็นวันบําเพ็ญ กุศลในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราอย่าละเลยถ้าพอเป็นวันศีลวันพระแล้วก็ให้รู้จักใคร่ค่ะว่าเออเป็นวันทำคุณงามความดีสําหรับเข้าสู่จิตใจของพวกเราวันทำการทำงานอย่างภายนอกเราก็ทำทำงานทำการทำมาหาเลี้ยงชีพ หาเงินคําทรัพย์สมบัติสสแสวงหาปัจจัยสี่อันนั้นก็จําเป็นแต่ก็อย่าลืมอาหารทางด้านจิตใจอาหารกายอาหารใจที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวไม่รู้ว่ากี่ครั้งตกกี่หนแต่ที่ยังไงก็ให้พวกเราการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันในโลกให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกัน ในครอบครัวในคณะสงฆ์ในหมู่ในคณะในประเทศชาติบ้านเมืองถ้าหากว่าพวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันถึงจะอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็มีความร่มเย็นผาสุขไม่ว่าต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาต่างแนวความคิดเห็นพวกเรา ทุกคนจะให้มีความคิดเห็นอย่างเดียวกันเป็นไปไม่ได้แต่นานาจิตตังนานาทัศนคกรจริงแต่พวกเราไม่แสดงออกไม่เบียดเบียนกันเป็นความเห็นก็คือความเห็นในด้านจิตใจของใครของเราอันนั้นอยู่ด้วยกันได้ถ้าหากว่าถ้ า, าว่าใครก็ตามไม่เห็นตามความเห็นของตอนเองเออแล้วก็เบียดเบียนเขาเพราะว่าเขาไม่ไม่ มีความเห็นอย่างตัวกลัวตัวของเราอันนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้อพอคนอื่นเห็นอย่างหนึ่งตัวเองกนะ็เห็นอย่างหนึ่งก็ไปพูดกันแหนกันแหนเขา เ, เพอเผ้อก็เบียดเบียนเขาออกจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรพเไพราะอะไรเพราะว่าคนเราจะให้จิตใจเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเราได้เรียนรู้เรื่องนานาจิตตังนาน า, นาทัศนะแล้วก็ นะการอยู่ด้วยกันถึงจะมากมายขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันได้อย่างที่คณะเทศบาลนคร อ, อุดรธานีขอสัมภาษณ์หลวงพอ่เอเมื่อวันที่16มีนาคม60วันนี้ก็เป็นวันที่20จะไมใช่ลูกหลานข้อหนึ่งใน5ข้อนะเขาเขาถามว่าทำไมเมืองอุดรจึงมีศาสนาที่ลงหลัก ปักฐานได้อย่างมั่นคงหลายศาสนาและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนี่ที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยก็เข้าลักษณะอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าทุกศาสนาอยู่ด้วยกันคิดดีทดําดีพูดดีถึงจะมากมายขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะไม่เบียดเบียนกันแต่ถ้าหากว่าศาสนาอยู่ด้วยกัน มีแต่จะหักล้างกันอย่างที่อดีตที่ผ่านมาเมืองนาลันทานะแต่กระจุยกระจายเพราะอะไรนะพวกเราถ้าว่าพวกเราได้อ่านในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาแล้วก็จะรู้ไดนะ้พวกเราที่ได้ศึกษาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังที้ศึกษาดูนะเป็นอะไรนะนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าทุกศาสนาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความร้ท่มเย็นผาสุก มางก็มีความสุ ข, สขกายสุขใยจยด้วยกันมีความเห็นถึงจะมีความเห็นแปกแตกต่างแต่ว่าไม่เบียดเปลี่ยนกันจุดนี่แหละที่จุดไม่เบียดเปลี่ยนกันนี่แหละเพราะในความเห็นหนานาจิตตังนานาทัศนคือนานาความเห็นคนหนึ่งชอบเผ็ดคนหนึ่งชอบเค็มคนหนึ่งชอบหวานคนหนึ่งชอบเปรี้ยวอจะให้บังคับให้เขาชอบอย่างตนเองได้อย่างไร ถ้าไม่โง่กเกินไปถ้าโง่กเกินไปก็บังคับให้คนอื่นชอบอย่างตนเองนะแล้วก็บังคับให้คนอื่นกินอย่างตนเองใช้อย่างตนเองเป็นได้ยังไงถ้าว่าเราได้ศึกษาในนานาจิตต่างนานาทัศนะแล้วก็เราจะรู้ได้ขณะพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าปร ม, มกุูเป็นผู้หมดจดจากกิเลสนะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ หมดจดจากกิเลสเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นก็เถอะนะพระเทวทัตก็เป็นลูกน้องน้องสาวพ่ อ, นะอพระเทวทัตเป็นลูกน้องสาวสาวพ่อของพระบิดาของพระพุทธเจ้านะถ้าจะว่าไปแล้วก็คือน้องชายนะน้องชายพอลูกลูกของอาใช่ลูกชายของอานะพระเทวทัต แล้วก็มไม่บวชอยู่ด้วยการเอกพอมาอยู่ด้วยการกนี่แหละมีความเห็นนานาเจตังนานาทัศนะถ้านาณาจิตังนาทันาทนาทัศนะก็ไม่มีอะไรกันก็ไม่เป็นไรแต่นี่พระเทวทัตเนี่ยสินายไปจ้างนายขามังตนูมาฆ่าพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนขึ้นไปบนภูเขาเกร่งก้อนหินให้ทับพระพุทธเจ้าเออ จนก้อนหินเกลี้ยงลงมาพระพุทธเจ้าเอาพระบาทคือเท้ารองรับพระบาทห่อจากนั้นยังมาแล้วยังไปสงคบกับพระเจ้ า, าอัสสัชตรูปล่อยช้างนาฬาคิเลงช้างที่ดุร้ายที่สุดแล้วก็ปล่อยในถนนแคบๆให้มาทํำร้ายพระพนะุทธเจ้าเนี่แหละอันนั้นถ้าเป็นลักษณะนั้นจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเพราะมันเบียดเบียนกันใช่ไหมละ่ะ ถ้าว่าต่างคนต่างอยู่ทําไมนานาจิตต่างนานาความคิดอยู่ด้วยกันได้แต่พามาเบียดเบียนกันอย่างนั้นไม่ได้ผลในสุดพระเทวทัตก็ประ ก, กาศบอกว่านี่นะพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ปากว่าตาขยิบห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ตัวเอง ก, ก็กินเนื้อกินปลาพระพุทธองค์บอกว่าการฉันเนื้อฉันปลา มันเขากินยังไงเขากินก่อนมันเป็นของเรื่องของเขาไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยชันได้ไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเขาฆ่าเพื่อจะสมามาถวายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยินบอกว่าเขาว่าเขาจะฆ่าสัตว์มาถวายแล้วก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ ไม่ได้สงสัยสงสัยแกล้งว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เอตก่อนก่อนหน้า น, นี้ไม่มีอะไรแต่วันนี้ทําไมะ เ, เขาฆ่าสัตว์มาเพื่อถวายถวายพระอันนั้นไม่ควรฉันถ้าฉันปรับอบัติทกกฎถ้าเขากินตามประษีภาษาของชาวบ้านเขาเเขาอถึงเราจะไม่ได้เอเราไม่ได้บอกไม่ได้แนะนำํำไม่ได้บอกกล่าวเขาเขาทํากินอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว เขามาถวายชันได้พระพุทธเจ้าท่านว่างการฉันก็เหมือนกันเราไม่ได้แนะนำไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ติดในรถในชาติพอประทังชีวิตไปเท่านั้นเองเหมือนกับเราจะข้ามทะเลทรายไปข้ามทะเลทรายถ้าเห็นลูกตัวเองตายอเอาลูกไปลูกตายก็ไม่มีอะไรถ้าหากว่ามันตายแล้วเนี่ยลูกนะ เราไม่ได้ขาดจะกินลูกตนเองก็ได้เพราะเหตุไรเพราะว่ า, เ, าเพราะประทังชีวิตไปเพื่อข้ามทะเลทรายนี้ก็เหมือนการผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่าไปหลงละเลงติดในรถในชาติอาหารถึงจะ ก, กินกินรถอัดชาติอิม่มมีพีมันรถอรถ่ อ, ร อ, รอยขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งความตายก็จะมาถึงกระเป่าไม่มีใครที่จะหลีกลี หนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยคือความตายแต่ที่เรากินเพราะอะไรเพราะเราจะได้บําเพ็ญทานศีลภาวนาบําเพ็ญจิตภาวนาหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกเราต้องคิดมุ่งหวังอย่างนั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสท่านกล่าวท่านไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ฆ่าไม่ได้ให้เบียดเบียน แต่ว่าผู้ที่ทำมาก็ทานการทานก็ทานด้วยความระวังเพอถึงยังไงก็าตามเหมือนกับเราลงไปในทะเลทะเลถึงจะเป็นซากศพคนตายมาถึงจะกลัวขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าเราเพื่อประทังชีวิตของเราถ้าไม่เกาะซากศพนั้น เราก็จะจมน้ำตายเพราะเราว่ายน้ำมานานแล้วนะมันจังตกกะกเกาะซากศพนั้นเพื่อจะเข้าพยุงเข้ามาหาฝั่งนี่ก็เหมือนกันการดำลงชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ให้สาเหนียกสำนึกอย่างนั้น อ, อย่างน้อยก็เมื่อทานด้ฉันอะไรก็ไปก็ไปนั่งภาวนาไปพิจารณาร่างกายสังขารถึงจะอิ่มมีพีมันอาหารดิบดีขนาดไหน หรืออิ่มหรือไม่อิ่มอย่างไงเราก็คงไม่ถึงร้อยปีพันปีหรอกอีกสักวันหนึ่งจะต้องถึงจุดจบของเราอันนี้ให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าแนวความเห็นของพุทธะแต่พระเทวทัศออน์มองอีกมุมหนึ่งฮะมองอีกมุมเลย้ยพระพระพุทธเจ้าเนี่ยปากว่าตาขยิบมาไม่ไม่ให้ไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่กินเนื้อนะ แต่นี้นก็เข้าไปขอพอรจากพระพุทธเจ้าเ อ, อไม่ให้พระสงฆ์ฉันเนื้อสันปลาไม่ให้พระภิกษุผู้อยู่ปา่าก็ให้อยู่ปา่าไม่ให้เข้าบ้านอะไรขอวัตถุห้าประการจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นเราได้บัญญัติแล้วออสุดแต่แต่พระสงฆออ์เราพูดชัดเจนแล้วเทวทัศไม่ต้องมามาพูดมาขอกับเราพระเทวทัศก็โมโหขึ้นมาเทย ก็เลยประกาศบอกวันเนี่ยตั้งแต่บัดนี้ต่อไปพวกเรากลุ่มของเราเห็นไหมสัมมาณโครมู้พระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีบุญคุณเขาก็บอกว่าพระสงฆ์เอ๊ะท่านเทวทัตท่านก็บวชกับพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อพระวง์จากพระพุทธเจ้าอีกต่างหากบวชกับพระพุทธเจ้าได้รู้เรื่องศีลธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดจะรู้ ท่านไม่ทําไมท่านเนี่ยลึกถึงบุญคุณของท่านไม่ได้หรอเทวทัศน์เขาบอกว่าสมณะคอโดคอ ด, อดมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีบุญคุณกับผมแม้แต่น้อยเดียวนะเรื่องกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะทั้งที่ท่านทําบุญคุณให้กับเรามองไม่เห็นยังดูถูกอีกต่างหากนั่นน่ะเรียกว่าภาระชนถึงจะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงงูเหา่างูจงอางมันเลี้ยงไม่เชื่องหรอกเพราะนั้น พวกสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยถึงจะไปเลี้ยงใครก็ตามดูแลใครก็ตามลูกหลานใครก็ตามลูกหลานของเราก็ตามนะ่ให้เราคิดเอาไว้นี่มันเป็นมาแต่ครั้งพุทธเจา้าเป็นมาแต่ครั้งพุทธการแล้วอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์นะ เ, เพราะฉะนั้นให้พวกเราเทุกทุกท่านนะ เ, เมื่อเมื่อพระเทวทัตประกาศอย่างนั้นแล้วนะพระพระองค์บอกว่าเทวทัตเขาประกาศตัวเอง เ, อเขาถีบออกเขาทําลายตัวเองเอ ออกจากเราตั้งแต่บัดนี้ไปเทวทัตจะไม่เห็นหน้าจะไม่เห็นเราตถาคตอีกจะไม่เห็นหน้าเราตถาคตอีกเทวทัตเหมือนตั้งแต่บัดนี้ล่ะที่เขาประกาศแยกตัวนี่แหละจากนั้นเทวทัตก็พาพระ ส, สงฆ์ห้าร้อยไปตั้งสำนักขึ้นมาเพื่อจะแข่งกับพระพุทธเจ้าผลในสู้ก็เลยเจ็บไข้ได้ป่วยผลในสุดภัยวิบัติเข้ามาฮะ จากนั้นเขาหามพระเทวทัตมาหามมาผ่านหัวเมืองไปลูกไลหัวเมืองเขามากราบพระพุทธเจ้าเทวทัตมาถึงจุดนั้นจุดนี้แล้วเทวทัตพระพุทธองค์บอกว่าเราบอกแล้วเราประ ก, กาศแล้วว่าเทวทัตจะไม่เห็นหน้าเราถึงจะมายังไงก็ไม่เห็นไม่เห็นเราตถาคตไม่เห็นหน้าเราตถาคตพอหามมาถึงหน้าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหาร เพราะนั่นกัพวกที่หามมาสี่คนหามหามเตียงมาเมันเหนื่อยนะมันหามคนทั้งคนใช่ไหมเหนื่อยลงไปอาบน้ําให้พระเทวทัตนั่งอยู่บนนอนอยู่บนเตียงพอพระลงนั้นไปอาบน้ําแต่นนั้พระเทวทัตก็นั่งบนเตียงก็เลยหย่อนขาอปลายปลายขาลงตรงข้างเตียงหย่อนขาลง พ่อย่อนคาขาลงข้างเตียงเท่านั้นแผ่นดินแยกนะพอแผ่นดินแยกแผ่นดินสุกพระเทวทัตถึงหัวเข่าถึงเอวถึงอกถึงคอพอถึงคอพระเทวทัตโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณไม่ไม่เคยคิดจะเบียดเบียนผู้ใดใครเลยแม้แต่น้อยเดียวเป็นผู้มีบุญคุณ ต่อทรัพสัตย์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดถึงข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าเป็นผู้โง่เป็นผู้เคลาเป็นผู้ไม่รู้จักบุญคุณขอพระองค์จงโปรดโโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าจะเอาขากรรไกรคือคางนะเป็นเครื่องสักการะบูชาคือเป็นดอกไม้แทนแทนดอกไม้เอาขากรรไกรแทนดอกไม้ ขอผู้เท่เจ้าโปรดโอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทินเพราะว่าท่านั้นแผนดินก็แยกพรดลงไปพระเทวทัตก็ลงสู่อเวจีมหานรก น, นี่แหละคือความเป็นมาถึงจะเป็นเชื้อพระวง์อยู่ด้วยการขนาดไหนก็ตามแต่ในมีความคิดความเห็นแปลกแตกต่างกันก็ยังไม่แล้วยังจะคิดฆ่าคนอื่นเขาอีกแต่จอยู่ด้วยกันได้อย่างไร น, นี่ก็เหมือนกัน จะเป็นใครก็ตามไม่ว่ า, าศาสนาละการอยู่ด้วยกันไม่ว่ า, าศาสนาต่อาศาสนาละไม่ว่าคนต่อคนละไม่ว่าใครต่อใครละถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งนั้นหละถ้าคิดดีทำดีพูดดีถึงจะอยู่มากมายขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันได้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันเราต้องคิดว่านานาจิตตังนานาทัศนะแนวความคิดเห็นจะให้บังคับ ให้คนอื่นมีความคิดเห็นอย่างตัวเองนั้นมันโง่โง่ามากมากฮะ เ, เพราะเหตุไรเพราะคนเราเกิดมาจะให้บังคับให้เหมือนกันไม่ได้มีแต่แนะนําบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนแล้วเขาไม่เห็นด้วยในเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเอ้าจะทํำยังไงเอเราจะไปบังคับเขาทำไมได้เพราะเขาไม่เห็นด้วยเนี่ถ้าอย่างนั้นถ้าบังคับเขาให้เห็นด้วยคนในโลกน้่คงจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดนะ แล้วเรา เ, เป็นลูกศิษย์ของใครทั้งหมดเพราะมันความไม่เห็นด้วยมันมีอยู่นาณ า, า, าจิตตงนาน า, น า, นาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้หลวงพ่อพูดกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นแนวความคิดเพราะพุทธศาสนานพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พุทธบริษัทนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นแนวความคิดอย่าไปหูเบาอย่าไปเชื่อง่ายอย่าไปฟังฟังและเชื่อไม่ได้ เสียหายเพราะะนั้นพวกเราจะลำลงทรงศาสนาพุทธศาสนาคือศาสนาเหตุผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครจะมาบอกบังคับให้เราทำถ้าเราทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไร ถ, ถ, ถ, ถ้าเราถ้าเราทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงมันอยู่กรรมคือการกระทำกรรมกระทำการกระทาคือมาจากเจตนาอย่างที่หลวงพ่อได้พู ด, ดได้กล่าวเมื่อวาน ấy, เจตนาหังเจตนาหัง พลิกเขวกำหมังวนาเม่คือเจตนาเป็นหลักเราคิดจะทําความดีหรือคิดจะทําความชั่วมันอยู่ในจิตใจทั้งหมดอะอแต่บางครั้งในใจของเราเนี่ยขุนอยากจะทําความชั่วอยากจะฆ่าคนอื่นเขาอยู่เบียดเบียนคนอื่นเขาอยู่อแต่ว่าในปากเนี่ประลาะหน้าประละหลังอทําว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันอแต่ว่าในในข้างเบื้องข้างเบื้องหลังเนี่ยถือมีดจอย จะปักหลังเขาอยู่นะอ อ, อันนั้นบางกรณเนี่ยนะออมันเป็นไปได้ทั้งหมดโลกวตฏสงสารใบนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ประกอบคุณงามความดีเอ อ, อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน อ, อขนาดพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัต ย, ยังไม่ไว้ใจกันเห็นไหมนะทั้งที่เป็นเชื้อพระชาติพระญาติพระวงศ์แทออ้พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะออแต่หลวงพ่อนะอายุ ปู่นี่แล้วอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกกับหลานคงไม่นานล่ะอเพราะว่าอายุถึงปู่นี่แล้วนะอปีนี้หลยอายุวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเนาะเป็นวันเกิดของหลวงพ่อยีิบเจ็ดเมษาหยดเป็นวันเกิดวันที่ยี่สิบหกแต่ก่อนกับลูกหลานก็มาสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์วันที่ยี่บหกเย็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเช้ากันน่ะเป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะ เมษาเยษ า, า60นอายุของพ่อ เ, เลยลเจเต็มเลยล่ะท่านนี่ต่อไปก็ย่างเขา73สคน70กว่าเนี่ยจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ลูกหลานเลยถ้าเฟนเสียสุขภาพแข็งแรงจริงจถึงเกนะแต่หลวงพ่อนี่คิดแล้วคิดอีกก็เหมือนกันคงจะไม่ถึงแล้วลูกหลานเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่จะเกิดประโยชน์ต่อ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อพุทธบริษัททั้งหลายหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวให้เป็นแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาพอผู้นักศาสนาสอนให้คนคิดนะสอนให้ใช้ปัญญาพอหลวงพ่อบวชมาแต่เป็นสัมมาเนน้อยหลวงพ่ออยู่ขะโลกปูราท่านก็สอนให้คิดนะไปอยู่ขโลโหตามหาบวชท่านก็สอนให้คิดนะท่านไม่สอนให้อมลิ้นอยู่เฉยๆนะให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบใช้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีตมาวัดดูในปัจจุบันอดีตนั่นแหละคือบทเรียนและปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงมันเป็นมันรู้หมดหคือคือกิเลสตัวเดียวกันนั่นแหล ะ, ะกิเลสในอดีตกิเลสในปัจจุบันและกิเลกกิเลสในอนาคตก็คือกิเลส โ, โกรโกรธหลงลาคะโทสะโมหะความอิจฉาพย า, พยาบาทอาฆาตจองเวรมันเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรณนะนะจัตไทยาตโยม แต่มันอยู่ในมนุษย์ก็มีอยู่ในสัตว์ที่ไรฉันก็มีอยู่ในกับทุกคนนั่นะอยู่กับทุกตั ว, วดวงวิญญาณนั่นะนะเรื่องอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหนะเพราะฉนั้นให้พวกเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้กําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้พ้นทุกในวัฏสงสารนันละเลิศประเสริฐที่สุดนะเอาต่อเนี้ไปรับพรในทีนี้นะ